สมัยนั้นพระราชาพระนามว่าปิละยักขราชเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพารณสีพระองค์ทรงโลภเนื้อมรึกจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีปกครองผูกสอดราชาวุฒห้าอย่างเข้าสู่หิมมวันตะประเทศทรงฆ่ามารึกทั้งหลายเสวยเนื้อเสด็จถึงมิกขสัมมตานทีแล้วถึงท่าที่สุวรรณสามพระโพธิสัตว์ตักน้าโดยลาดับ ถ้าพระเนธเห็นรอยเท้ามารึกก็ทรงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้มีสีเขียวโกงคันสอนสอดลูกสอนอาบยาพิษประทับนั่งเตรียมอยู่ในซุ้มนั้นป่ยพระมหาสัตว์นำพลาผลมาในเวลาเย็นวางไว้ในอาสมบทไหว้ามารดาบิดาลาไปตักน้ำถือหม้อน้ำมีฝูงมรึกแวดล้อมให้มรึกสองตัวเดินเคียงกัน วางหม้อน้าดื่มบนหลังมรึกทั้งสองมือประคองไปสู่ท่าน้ำปล่อยพระราชาประทับอยู่ในซุ้มท้าพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ดําเนินมาทรงคิดว่าเราเที่ยวมาในหิน ม, มวันตับประเทศตลอดการถึงเพียงนี้ยังไม่เคยเห็นมนุษย์ผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคหนอถ้าเราจะเข้าไปไต่ถามผู้นี้ถ้าเป็นเทวดาก็จักเหาะขึ้นสู่อากาศ ถ้าเป็นนาค ก, ก็จักดำดินไปแต่เราจะเที่ยวอยู่ในหิมมวันตะประเทศตลอดการทั้งปวงก็หาไม่ถ้าเราจักกลับพารณสีอมาตทั้งหลายจักถามเราในการที่เราเที่ยวในหิมมวันตะประเทศนั้นว่าเมื่อพระองค์อยู่ในหิมมวันตประเทศได้เคยทอาพระเนตรเห็นอะไรอัศจรรย์บ้างเราจะกล่าวว่าได้เคยเห็นสัตว์เช่นนี้เขาก็จักถามว่า สัตมนั้นชื่ออะไรถ้าเราจะตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จักติเตียนเราเพราะเหตุนั้นเราจะยิงผู้นี้ทําให้ทุรพลแล้วจึงถามเรื่องลําดับนั้นในเมื่อฝูงมรุดนั้นลงดื่มน้ําแล้วขึ้นก่อนพระโพธิสัตว์จึงค่อยๆลงราวกับพระเถระผู้มีวัดอันเรียนแล้วอาบน้ําระงับความโกรนกระวายแล้วขึ้นจากน้ํา นุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งมพมผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นเช็ดน้ำแล้ววางบนบ่าซ้ายก็ในการนั้นพระราชาทรงคิดว่าบัดนี้เป็นสมัยที่จะยิงยิงยกลูกสอนอาบยาพิษนั้นขึ้นยิงพระโพธิสัตว์ถูกข้างขวาทะลุออกข้างซ้าย ขู่มรึกรู้ว่าพระมหสัตว์ถูกยิงตกใจกลัวหนีไปฝ่ายสุวรรณสามบัณฑิตแม้ถูกยิงก็ประคองหม้อไว้โดยปกติตั้งสติค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุยเกลี่ยทรายตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศหันศีรษะไปทางที่สาภาเป็นที่อยู่ของมารดาบิดาเป็นดุดสุวรรณปฏิมานอนบนทรายมีพันดังแผ่นเงินตั้งสติกล่าวว่า ชื่อว่าบุคคลผู้มีเวรของเราในหินมวันตะประเทศนี้ย่อมไม่มีบุคคลผู้มีเวรของมารดาบิดาของเราก็ไม่มีกล่าวดังนี้แล้วถ่มโลหิตในปากไม่เห็นพระราชาเลยเมื่อจะถามจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าใครเนอใช้ลูกศรยิงเราผู้ประมาทกําลังแบกหม้อน้ํากษัตริย์พรหมแพทย์ คนไหนยิงเราแล้วซ่อนกายอยู่บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าผู้ประมาทปมัมตังความว่าผู้ไม่ตั้งสติในการเจริญเมตตาก็คํานี้พระโพธิสัตว์กล่าวหมายเนื้อความว่าได้กระทําตนเป็นผู้ประมาทในขณะนั้นคําว่ายิงวิทาความว่ายิงแล้วซ่อนกายอยู่ในที่นี้ชนชื่อไรเนาะ เป็นกษัตริย์หรือพรามหรือแพทย์ใช้ลูกสอนอาบยาพิษยิงเราผู้กำลังไปตักน้ำที่มิขสัมมตานาทีคือชนชื่อไรหนอยิงเราแล้วซ่อนกายอยู่คือปกปิดตนในพุ่มไม้ก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเพื่อจะแสดงความที่มังสะในสรีระของตนเห็นว่าไม่เป็นพักษาจึงกล่าวคาถาที่สองว่า เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไม่มีประโยชน์นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ควรยิงด้วยเหตุอะไรเนอะในคาถานั้นมีความว่าท่านมานุษย์ผู้เจริญเนื้อของเราคือเนื้อในสรีระของเรากินไม่ได้คือมนุษย์ทั้งหลายไม่พึงกินหนังของเราคือหนังในสรีระของเราไม่มีประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนี้คือแม้เมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษนี้ได้เข้าใจว่าเราเป็นผู้ควรหญิงคือควรแทงคือยิงเราโดยไม่พิจารณาด้วยเหตุอะไรคือด้วยการอะไรครั้นกล่าวคาถาที่สองแล้วเมื่อจะถามถึงชื่อเป็นต้นพระโพธิสัตว์จึงกล่าวคาถาว่าท่านคือใครหรือเป็นบุตรของใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไร แน่สหายเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกเถิดทำไมท่านจึงยิงเราแล้วจึงซ่อนตัวเสียครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ได้นิ่งอยู่